บทที่25พูดถึงมหายานผมยังไม่รู้จักเท่าที่ควรท่านจะกรุณาเล่าความเป็นมาของมหายานให้ผมได้ฟังได้ไหมครับท่านพระครูขอความรู้จากภิกษุหนุ่มผมก็ไม่ค่อยสันทัด์ในเรื่องนี้สักเท่าไรเคยเรียนมาบ้างสมัยที่อยู่มหาจุฬา แต่ว่าได้คืนครูอาจารย์ไปหมดแล้วต้องขอประธานโทษหลวงพ่อด้วยนะครับผมว่าจะต้องมีหลงเหลืออยู่บ้างคงไม่คืนทั้งหมดกระมังท่านลองนึกทบทวนดูสิครับผู้อ่อนวัยกว่าหลับตาลงพยายามนึกถึงสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาในอดีตไม่นานนักก็นึกได้จึงพูดขึ้นว่า แต่เดิมพระพุทธศาสนายังไม่มีการแยกออกเป็นนิกายก็คงจะมีคําสอนดั้งเดิมอันเป็นคําสอนบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์มหายานเกิดขึ้นหลังจากสังขยาครั้งที่สมดูเหมือนประมาณปีพุทธศักราช400เศษสังขยาครั้งที่สามกระทําที่อโซการามกรุงปตาตลีบุตรประเทศอินเดียโดยมีพระโมคคิลีบุตร ติสสะเถระเป็นหัวหน้ามีพระสงฆ์ประชุมกันพันรูปทำอยู่9้าเดือนจึงแล้วเสร็จสังคยนาครั้งนี้กระทําภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วโดยที่มีพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นองค์อุปถรรมหลังจากสังคยนามีการส่งสาศาสนาธูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆรวมทั้ง พระมหินทเทระโอรสของพระเจ้าอาโศกก็ได้นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาเป็นครั้งแรกประมาณพุทธศักราช234ใช่ไหมครับผมจำได้เพราะเลขเรียงกันจำได้ง่ายครับประมาณปีพุทธศักราช234หลังจากที่พระองค์เสวยราชได้16ปี ทรงส่งพระโสนกับพระอุตระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิคือดินแดนแถประเทศไทยของเราด้วยแต่ยุคนั้นก็ยังเป็นดินแดนทวารวดีน่าแปลกนะครับพระโสนกับพระอุตระสององค์นี้ชื่อของท่านไปพ้องกับชื่อของพระอ克拉สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่24ผมเคารพพระอุตระมาก ท่านหมายถึงพระอุตระที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งมาประกาศศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิคู่กับพระโสนะบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าพระอุตระก็คือหลวงพ่อในป่าที่ให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงพ่อในป่าที่คนทั้งหลายรู้จักท่านในนามหลวงปู่เทพโลกอุดร พระพุทธเจ้าองค์ที่24คือพระกัสปะพุทธเจ้าอัครสาวกพระองค์ก็คือพระติดสะกับพระภารัทวาชะไม่ใช่หรือครับภิกษุหนุ่มแยงพระพุทธเจ้าองค์ที่24คือพระเวสภูพุทธเจ้าพระอัครสาวกคือพระโสนะและพระอุตระผมว่าเรากำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันแล้วล่ะครับท่านพระครูใช้สำนวนทันสมัย หมายความว่าอย่างไรครับพระมหาฉลองไม่เข้าใจเพราะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมานานสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอัตธิบายว่าคือที่ผมพูดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่24นั้นผมหมายถึงพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งมีพระตันหังกรพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่หนึ่ง ส่วนท่านบอกว่าเป็นพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ไม่ผิดเพราะท่านหมายถึงพระพุทธเจ้า25พระองค์แต่ถ้าพระพุทธเจ้า28พระองค์พระมหากัสสปะพุทธเจ้าจะเป็นลำดับที่27ท่านพอจะนึกออกไหมครับส่วนพระพุทธเจ้า25พระองค์พระทีปังกรเป็นองค์ที่หนึ่งนึกออกแล้วครับทีนี้ผมจะพูด เรื่องมหายานต่อที่ผมพูดมัตกี้ว่ามหายานเกิดขึ้นหลังสังขยาครั้งที่สาเพราะต่อ น, นั้นอีกร้อยปีเศษคือประมาณพุทธศักราช400รก็เกิดมหายานขึ้นทําให้พระพุทธศาสนาแตกออกเป็นสองนิกายฝ่ายมหายานเรียกฝ่ายที่เป็นพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมว่าหินนายาน แประวยวยานต่าหรือยานเล็กหรือยานที่คับแคบคือเรียกแบบดูถูกหรือคมแล้วก็เรียกพวกตนว่ามหายานแประว่ายานใหญ่ต่อมาเพื่อไม่ให้เกิดการข่มกันจึงบัญญัติเรียกพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมว่าฝ่ายเทรวาตคือเชื่อตามพระเทระแล้วเรียกมหายานว่า อาจารยะยะวาดหรืออาจาริยะวาดคือชื่อตามอาจารย์สรุปว่าเมื่อก่อนใช้หินนยานคู่กับมหายานต่อมาเปลี่ยนเป็นเทระวาดคู่กับอาจารยะยะวาดหรืออาจาริยะวาดแล้วก็เลยมาสับคู่กันภายหลังคือเป็นเทระวาดกับมหายานเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าไปพูดอาจารยระยะวาดคนก็ไม่รู้จักกันแล้ว รู้จักแต่มหายานพระมหาฉลองเล่าถึงความเป็นมาของนิกายมหายานแล้วมหายานสอนแตกต่างจากเทรวาทมากไหมครับในความคิดของผมผมว่ามากจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนศาสนาเลยทีเดียวโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติ ของพระมหายานอย่างเช่นมหายานแบบทิเบตเขาจะมีแบ่งย่อยออกไปเป็นห้านิกายในห้านิกายนี้มีอยู่นิกายหนึ่งที่พระมีเมียได้แล้วขอโทษนะครับหลวงพ่อไม่ได้มีเมียคนเดียวด้วยพระทิเบต ร, รูปหนึ่งที่ผมรู้จักท่านมีเมียถึงสามคนพระหนุ่มพูดยิ้มยิ้มแล้วอีกสี่นิกายไม่เอาอย่างบ้างหรือ ท่านถามยิ้มยิ้มเช่นกันนอกจากไม่เอาอย่างแล้วท่านยังพากันตําหนินิกายที่มีเมียเพราะพระทิเบตท่านเคร่งไม่เหมือนพระญี่ปุลและตุมเป๊ะเลยครับหลวงพ่อเรียกว่าทั้งสุรานารีมีพาชีกับกีฬาบัตรด้วยหรือเปล่าครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามยิ้มยิ้มพระมหาฉลองแอบชมในใจว่า หลวงพ่อองค์นี้ยิ้มสวยดีข้อนี้ผมไม่เห็นก็เลยไม่ทราบครับที่เห็นก็คือทั้งพระทั้งนิลาคื อ, อนิลาหมายถึงชีครับมหายานเ็าเรียกว่ า, านิลาจะแต่งตัวเหมือนพระทุกอย่างทั้งพระアニล่าทำไมเลครับท่านยังพูดค้างอยู่พากันดื่มเบียร์สิครับ ดื่มจนหน้าแดงไปตามๆกันเวลาเดินก็งโงนเงินไปมาเหมือนคนเมาเสียภาพลักษณ์ของบรรพชิตหมดไม่ใช่เหมือนคนเมาหรอกครับเป็นคนเมาชัดเจนเลยทําอย่างนั้นได้ย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงตําหนิผมถึงได้พูดว่าพวกเขาชัดเจระเะเอะกันใหญ่แล้ว ประพุืชนอกกรีดนอกรอยไปทุกทีอีกหน่อยก็คงไม่เหลือร่องรอยแห่งความเป็นพุทธกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงนิ้กายมหายานเกิดเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเริ่มฟุบขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูฟูขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ฟุบลงไปในยุคพุทธกาลพระพุทธศาสนาช่วงหลังยุคพุทธกาล ต้องแข่งกับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูมากขึ้นาศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีเทพพระเจ้าไว้ให้ชาวบ้านอ่อนวอนบวงสวงมีพิธีบูชายัญซึ่งเริ่มตั้งแต่เอาสัตว์มาบูชายัญก่อนนักเข่าถึงกับอามนุษย์มาบูชายัญเพื่อให้เทพพระเจ้าพออกพอใจความเชื่อแบบนี้มีมานานแล้วก็ยากมากที่จะลบล้างออกไป เพราะคนจานวนมากชอบและก็หวังพึ่งสิ่งภายนอกเพราะการที่ได้เพียรพยายามโดยตนเองโดยใช้ปัญญานั้นแสนยากมนุษย์จํานวนมากจึงมีความโน้มเอียงที่จะหันไปหาการอ่อนวอนขอผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาจุฬาเจ้าคุณอาจารย์ท่านเน้นย้ำเรื่องนี้มากท่านบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ให้วังพึ่งสิ่งศักิ์สทธิ์ภายนอกแต่สอนให้พึ่งตัวเองดังมีพระพุทธวจนะติตรัสรับรองไว้ว่าอัตติหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาแต่ชาวพุทธทุกวันนี้ชักจะเป็นพราหมาเขาไปทุกวันคือหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่พึ่งตัวเองท่านพระครูรู้สึกว่า คู่สนทนาใช้คําว่ามากมากเป็นพิเศษท่านหมายถึงเจ้าคุณประยุทธ์หรือครับครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์เก่งมากเรียกว่าเป็นปรารถทางพุทธศาสนาระดับโลกเลยทีเดียวท่านจบปริญญาตรีจากมหาจุฬาแต่ก็สามารถไปสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยายลัยในต่างประเทศได้ เป็นเกียรติยศและความภาคภูมิของคณะสงฆ์ไทยที่มีพระผู้เชี่ยวชาระดับโลกเช่นท่านเจ้าคุณรูปนี้ท่านมหาฉลองกล่าวชื่นชมครูบาอาจารย์ของท่านและจึงอธิบายต่อผมคิดว่าพระพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยคงจะพยายามเอาใจประชาชนด้วยการสนองความต้องการเรื่องที่พึ่งภายนอก เพื่อจะได้ช่วยปลอบขวัญประชาชนให้พวกเขามีสิ่งที่จะมาช่วยบ้างก็เลยคิดไปถึงคติพระโพธิสัตว์คือพระพุทธศาสนาของเรามีคติพระโพธิสัตว์อยู่เดิมก่อนแล้วพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์นั้นตั้งใจบำเพ็ญความดีอย่างยอดยิ่งอย่างสูงสุด โดยไม่ยอมแพ้แก่ความลำบากยากแค้นแล้วก็สามารถเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเองเพื่อบำเพ็ญความดีท่านพระครูเสริมว่าและในความบำเพ็ญความดีนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่เห็นในชาดกต่างๆที่พระโพธิสัตว์เสียสละตัวเองเสียสละทรัพย์สมบัติ เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะและสละแม่กระทั่งชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์อื่นได้หลวงพ่อครับพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมท่านบำเพ็ญบารมีมีความเสียสละที่ช่วยผู้อื่นคติโพธิสัตว์เดิมจึงมีความหมายต่อชาวพุทธว่า พระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างแก่เราทุกคนในการทำความดีให้ชาวพุทธเอาอย่างพระโพธิสัตว์ในการที่จะกระทำความดีและก็ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวเลยยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองได้คติพระโพธิสัตว์เดิมจึงเป็นคติที่สอนเพื่อให้ทำตามอย่างพระโพธิสัตว์แต่ของนิกายมหายานกลับกลายเป็นว่า คนมองคติพระโพธิสัตว์ใหม่ในแง่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีมหากรุณาและอนุภาพยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเลยทําให้เกิดจุดเน้นไปว่าถ้ามนุษย์เราหวังความช่วยเหลือก็ไปหาพระโพธิสัตว์ไปขอให้ท่านช่วยได้คล้ายกับไปขอผลจากเทวดาก็เลยมีคติพระโพธิสัตว์แบบมหายานขึ้นมา เรียกว่าออกนอกลู่นอกทางไปเลยพระโพธิสัตว์ที่เราพูดกันก็คือพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้นั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้สิ้นชีวิตไปก่อนหมดแล้วพระโพธิสัตว์ของเทรวาดมุ่งเอาโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำความดีไว้เป็นแบบอย่างให้เราทำอย่างนั้นแต่ท่านสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแม่แต่องค์พระพุทธเจ้าเองก็ได้ปรินิ พ, พานไปนานกว่า2500ปีแล้วครับหลวงพ่อที่นี้พวกนิกายมหายานก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้มีพระโพธิสัตว์ที่ยังรอช่วยมนุษย์อยู่ได้ พอถึงตอนนี้นึกได้ถึงหลักการเดิมว่าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งใครบำเพ็ญบารมีจนครบบริบูรณ์ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็มีเรื่อยไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตอีกมากมายที่บำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู่คือยังช่วยเหลือสัตว์โลก ก็เลยให้พระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้ามาช่วยมนุษย์ปัจจุบันเป็นอันว่าคติพระโพธิสัตว์เลยเปลี่ยนไปจากเดิมครับพระพวกนิกายมหายานเท่านั้นส่วนนิกายเถรวาดก็ยังเหมือนเดิมตกลงนิกายมหายานก็เลยไม่ยอมรับพรโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน แต่หันไปหาโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตรัสรู้ยังไม่เป็นพุทธะยังบำเพ็ญบารมีอยู่มาให้าพุทธนับถือจะได้มาช่วยเหลือคนทั้งหลายได้ตอนนี้ก็เท่ากับว่านิกายมหายานได้คู่แข่งที่จะมาชดเชยความเชื่อแบบอ่อนบอนเท พ, พเจ้าแล้วคือมีพระโพธิสัตว์มาช่วยสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถขอร้องพระโพธิสัตว์อย่างพระอาวาโลกิเตสวนผูดเต็มไปด้วยมหากรุณาให้มาช่วยได้บรรดาชาวพุทธก็เลยไปขอร้องไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์แบบใหม่นี้มาช่วยเหลือไม่ต้องไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์แบบใหม่นี้มาช่วยเหลือไม่ต้องไปอ้อนวอนเท พ, พเจ้าพราหมณ์ฮินดูคือไม่ต้องไปอ้อนวอนพระพรหม หรือว่าพระนารายแต่มหาพระโพธิสัตว์แทนเพราะพระโพธิสัตว์ก็ช่วยได้เป็นอันว่าพระพุทธศาสนานนกายมหายานก็มีพระโพธิสัตว์มาแข่งกับเทพพระเจ้าของพรามหมณ์ฮินดูหลวงพ่อว่ ด, ดีไหมครับท่านพระครูตอบทันทีว่าไม่ดีเพราะผิดหลักการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พึงตนเอง ครับไม่มีใครที่ไหนมาเป็นที่พึ่งให้เราได้การเชื่อแบบมหายานถือว่าผิดหลักของพระพุทธศาสนาอะไรที่ผิดหลักการก็ไม่นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุกอย่างท้าวรหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยสิครับผมเป็นชาวพุทธดั้งเดิมยอมไม่ทิ้งหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูสิ่งที่พระองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัจธรรมถ้าเราไม่เชื่อสัจธรรมเสียแล้วก็ไม่ต้องพูดกันนิกายมหายานยอมทิ้งสัจธรรมเพื่อจะแข่งกับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพอเอาเข้าจริงๆก็แข่งไม่ได้เต็มที่เพราะเท พ, พเจ้าของพราหมณ์ฮินดูเขาแสดงกิเลสได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะว่ากันได้เต็มที่เลยเทพเจ้าสามารถใช่ฤทธิ์ประหัตประหารคนอื่นยกทัพทำสงครามกันได้แต่พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาท่านบำเพ็ญคุณธรรมมีแต่ความดีไม่มีการทำร้ายใครที่นี่มนุษย์ปุทุชนก็มักจะมีเรื่องโกรธแค้นกันอยากทำร้ายผู้อื่นบ้าง อยากหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวให้เต็มที่โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเดือดร้อนของใครเมื่อมหาเทพเจ้าเทพเจ้าก็สนองความต้องการได้เต็มที่จะฆ่าจะทําลายศัตรูก็ได้แต่ถ้ามหาพระโพธิสัตว์ท่านมีคุ ณ, ณธรรมมีแต่ความการุณาท่านไม่ทําสิ่งร้ายเพราะฉะนั้นการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ าะไม่สามารถทดแทนเทพพระเจ้าของพราหมณ์ฮินดูได้จริงเนื่องจากถูกจำกัดด้วยขอบเขตของคุณธรรมก็เลยกลายเป็นว่าพระพุทธศาสนานอกจากเสียหลักแล้วยังเสียเปรียบเข้าด้วยรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหยุดถอนหายใจแล้วจึงเล่าต่อ คติพระโพธิสัตว์เดิมนั้นคือเป็นแบบอย่างให้คนจะต้องเพียรพยายามทําความดีให้ได้อย่างนั้นแม้แต่เสียสละตนเองหรือว่าชีวิตของตนเพื่อทําความดีอย่างเต็มที่แต่ตามกติพระโพธิสัตว์ใหม่กลับกลายเป็นว่ามีพระโพธิสัตว์ผู้เสียสละคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้วเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านเราไม่ต้องการทําเพียรเอง ก็เลยผิดหลักการเรื่องความเพียรอีกเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเมื่อเป็นเช่นนี้ความหมายของพระโพธิสัตว์ก็พลิกไปเลยถ้าเรามาดูในปัจจุบันนี้ที่นับถือกันอย่างเจ้าแม่กวนอิมก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เดิม ที่เกิดขึ้นในอินเดียตามหลักมหายานต่อมาเมื่อเข้าไปในประเทศจีนแปลชื่อเป็นภาษาจีนแล้วสับกร่อนลงเหลือแค่กวนอิมและเพศที่กลายเป็นผู้หญิงไปตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนประชวรหนักไม่มีแพทย์หลวงหรือว่าแพทย์ราชคนใดจะรักษาได้ ก็เลยร้อนถึงพระอวโลกิเตสวนกวนอิมนี้จะต้องมาช่วยรักษาแต่ในราชสำนักนั้นผู้ชายจะเข้าไปไม่ได้พระอวโลกิเตสวนจึงต้องแปลงร่างเป็นสตรีแล้วก็เข้าไปรักษาพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนแห่หายจากประชวรเสร็จแล้วก็แปลงร่างกลับไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงสืบมา เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนมีมานานหรือยังครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามปราสนิทานว่าคติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนกวรอิมนี้เข้าไปจีนราพุทธศักราชส0งรอยซึ่งเป็นระยะแรกๆของการเกิดคติพระโพธิสัตว์นนกายมหายาน แต่ก็น่าสังเกตนะครับหลวงพ่อน่าสังเกตที่ว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ต่างๆของมหายานนี้พัฒนาขึ้นในระยะเดียวกับที่พระศิวะหรือพระอิศวรและพระวิษณุหรือพระนารายกำลังเริ่มปรากฏองค์เด่นขึ้นมาในยุคฮินดูขณะที่พระพรหมซึ่งเคยเด่นในยุคพราหมกกบกลับด้อยลง และก็เป็นยุคเดียวกันกันกบที่คริสต์ศาสนากำลังเกิดขึ้นด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีนมานานมากจึงต้องแบ่งเป็นยุคยคุซึ่งมีสี่ยุคก็ได้แก่ยุคพระเวทซึ่งอยู่ในระยะพันถึงร้อยปีก่อนพุทธกาลยุคที่สองคือยุคพราหมณ์ตั้งแต่ร้อยปีก่อนพุทธกาลถึงพุทธศักราชร้อย ส่วนยุคที่สามคือยุคฮินดูตั้งแต่ปีพุทธศักราช700รอมาถึงปัจจุบันในยุคพระเวทพระเจ้าที่เด่นที่สุดไม่มีองค์ใดเกินพระอินแล้วพระอินก่อเลืองจนถูกฤษีเขาตมะสาบเสียเทพไปเลยพอยุคพราหมณ์เทพเจ้าเด่นที่สุดคือพระพรหมถึงยุคฮินดูพระพรหมก่อเสื่อมพระศิวะกับพระนารายเด่นขึ้นมาแทน ดูดูแล้วก็ตลกดีสังคมของเทพมีการอิจชาริษยาชิงดีสิงเด่นกันไม่ผิดกับสังคมมนุษย์นี่เป็นความเชื่อของาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นาศาสนาที่ได้สมยาว่ามีเทพเทวดามากที่สุดจนหาข้อยุติไม่ได้สรุปแล้วนิกายมหายานก็เป็นคติที่แข่งกับาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู ซึงมีการอ่อนวอนขอผลถ้าชาวพุทธเราไม่ระวังรักษาหลักการให้ดีพระพุทธศาสนาก่อจะโน้มเอียงไปในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเหมือนนิกายมหายานเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเสียหลักครับการเสียหลักนี้เองที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนากลืนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปในเวลาต่อมา เพราะย้ายจุดเน้นจากการที่ใช้ความเพียรพยายามทำกรรมดีต่างๆด้วยชั้นทะวิริยะไปเป็นลทัทธิอ่อนบอนอนรอคอยผลไปไปมามาราวๆพุทธศักราชหนึ่งพันศ 1, สาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็เริ่มแต่งเรื่องให้พระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์อวตารปางที่9ก้าไปเลยเดี๋ยวนี้ชาวฮินดูที่นับถือพระวิษณุ ก็ได้สร้างเทวไลบางลูกพระนารายไว้ตรงกลางรูปพระพุทธเจ้าอยู่ข้างข้างเลยกลายเป็นบริวารของพระนารายไปภิกษุหนุ่มเล่าถึงความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในอินเดียพลางปิดปากหาวหนึ่งครั้งท่านง่วงแล้วเลิอครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามอย่างเกรงใจส่วนท่านยังไม่รู้สึกง่วงด้วย ยังไม่อิ่มในความรู้ที่ได้รับจากอีกฝ่ายก็นิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรถ้าหลวงพ่ออยากทราบเรื่องอะไรที่ผมพอจะเล่าได้ผมยินดีถวายความรู้พระมหาฉลองพูดจากใจจริงท่านรู้สึกเคารพนับถือสมภารรูปนี้มากและหวังที่จะได้ไปประพฤติเจริญพระกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต